เมื่อคราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะสนทนากับวสุเทวะปริภาชกซึ่งปริภาชกผู้นี้เป็นเจ้าของลัทธิเสรีภาพสมบูรณ์เขาเป็นผู้มีปัญญามากทั้งทางโลกและทางธรรมขณะที่กำลังสนทนากับพระเรวตะอยู่นั้นก็มีกองทหารเดินผ่านมาปริภาชกผู้นี้จะรีบวิ่งขึ้นต้นไม้ ทำพิธีไหว้พระอาทิตย์เป็นอยู่เช่นนี้ซึ่งผิดภาวะปกติของนักบวช ท, ทั่วไปพระเรวตะมีความสงสัยจึงได้สอบถามแต่ก็ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอะไรแต่ในที่สุดปริพาชกผู้นี้จึงได้เปิดเผยตัวเองว่าเขาคือเทวมิตะอุบาสกผู้เคารพศรัทธาในพระเรวตะเมื่อคลั้นอยู่เวลุวนาราม เหตุที่เขาต้องอยู่ในเพศปริภาทชกก็เพื่อเป็นจารบุรษติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายพระเจ้าอา ช, ชาติศัตรูเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณปัจจุบันค่ะ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 มีสาวกแวดล้อมเป็นที่อืดเฉาอีกประการหนึ่งการที่ข้าพเจ้าไม่ประกาศตัวเป็นสาวกขึ้นกับสังกัดศาสดาองค์ใดหรือลัทธิใดโดยเฉพาะก็เพราะไม่อยากให้าศาสดาหรือลัทธินั้นๆต้องบวมมองไปกับข้าพเจ้าด้วยแล้วการที่ท่านขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์บนยอดไม้นั้นเล่าหมายความว่าอย่างไรเทวมิตรหัวเราะลงลุกคออย่างพอใจ แล้วกล่าวว่าอ๋อข้าพระเจ้าหาได้มีเจตนาจะไหว้พระอาทิตย์ไม่ดกท่านผู้เจริญนั่นเป็นการให้สัญญาณแก่พลพรรคของเราทุกๆครั้งที่เห็นกองทหารออกไปจากพระนครขับเจ้าหรือใครคนใดคนหนึ่งจะต้องขึ้นไปสู่ต้นไม้ที่นัดหมายกันไว้แล้วก็ส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอยู่บนต้นไม้ไกลออกไปเห็นเมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณต่อไป อีกคนหนึ่งบนยอดไม้ถัดไปให้ทราบเราจะส่งสัญญาณต่อๆกันไปแบบนี้จนถึงพลพรรคของเราทุกหน่วยทำให้เราทราบการเคลื่อนไหวของกองทหารข้าศึกและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้เป็นเวลาล่วงหน้านา น, านๆเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบและประสบชัยชนะเสมอเราจะโจมตีเฉพาะกองทหารหนวล ย, ย่อยๆที่มีกาลังพลไม่เกินร้อยคนเท่านั้นถ้ามากกว่านั้น เราก็จะหลบซ่อนเสียไม่โจมตีท่านผู้เจริญชีวิตของข้าพเจ้าตอนนี้ครุกคลีอยู่กับความชั่วเกลือกกลั้ด้วยปาณาติบาตเป็นประจำวันแต่ข้าพเจ้าก็จาเป็นต้องทําด้วยความแค้นด้วยความกะตัญญูต่อพระราชาที่ราชองค์ก่อนและกระทําเพื่อกำจัดเสี่ยนหนามของแผ่นดินมคตรัฐขอท่านได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วย อุบาสกเอ้ยสำหรับอาตมานั้นย่อมให้อภัยแก่ท่านเสมอแต่สำหรับกฎแห่งกรรมอันเที่ยงธรรมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกลับถึงพระนครราชกฤชสิ่งที่อาตมาทำก็คือไปเยี่ยมอุบาสกที่บ้านในกลุงราชกฤชแต่หาได้พบท่านไม่พบแต่ทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูที่ยึดบ้านอยู่เท่านั้นอาตมาอยากทราบว่า บุตรภรยาและข้าทาบบริวารของท่านไปอยู่ที่ไหนละ่ะเทวมิตรอุบาสกมีสีหน้าเศร้าสลดลงไปถนัดเมื่อข้าพเจ้าพูดถึงบุตรภรยาของเขาแต่แล้วใบหน้าของเขาก็กลับบึ่งตึงและกัดกรามแสดงความโกรธแค้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดท่านผู้เจริญเขากล่าวด้วยเสียงเครียดบุตรและภรยาของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าอาชาัตรู จับไปขังไว้ในวังหลวงเพื่อเป็นตัวประกันแต่ข้าพเจ้าก็ทราบได้โดยอาศัยคนของเราที่อยู่ภายในว่าเขาอย่างสบายดีอยู่เป็นปกติสุขส่วนข้าทาบบริวารของข้าพเจ้านั้นได้ไปสมัครเป็นพลพรรคอยู่ในป่ากับข้าพเจ้าตั้งแต่วาระแรกแล้วเมื่อพูดถึงบุตรภรรยาข้าพเจ้าอดที่จะเศร้าใจไม่ได้เพราะครอบครัวที่เคยมีความสุขสงบ บัตรนี้ต่างแตกกระสานสั้นเซ็นพัดพรากจากกันไปอยู่คนละทิศคนละทางแต่จะทําอย่างไรได้เล่าท่านผู้จเจริญเพื่อความสงบสุขแก่ส่วนรวมเราจําต้องสละสุขส่วนตัวท่านผู้จเจริญดูท่านทําท่าว่ากําลังจะออกเดินทางท่านจะไปที่ไหนหรือถูกแล้วอาตมากาลังจะออกเดินทางจากลึกไปเรื่อยๆตามความตั้งใจเดิม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 เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็คงไม่ได้พบกันอีกแต่เราอาจจะได้พบกันอีกครั้งถ้าเราทั้งสองเป็นฝ่ายมีชัยชนะท่านผู้มีอายุเทวามิตาอุบาสกนั่นงก้มหน้านิ่งไม่ได้พูดจาโตตอบแต่อย่างใดขณะนั้นดวงอาทิตย์ได้รับแนวไม้ลงไปแล้วอากาศเริ่มเย็นลงมีคนมาอาบน้าที่ตะโพธานมาตาขึ้นเด็กเลี้ยงโค กำลังต้อนฝูงโคเข้าสู่ประตูเมืองเป็นหมู่หมู่เห็นแล้วทำให้กบเจ้าหวนคิดถึงชีวิตตนเองในวัยเด็กเมื่อเป็นวัยเด็กจันทานต้อนโคคู่ชีพคืนสู่บ้านริมประตูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบทอันแสนไกลโพ้นท่านผู้เจริญเทวมิตะกล่าวขึ้นหลังจากนิ่งเงียบมาเป็นเวลานาน เออในเวลาที่ข้าพเจ้าจะต้องจากท่านไปแล้วพลพักของข้าพเจ้าจะรอคอยขึ้นวันนี้คงจะมีการต่อสู้กันแน่ๆระหว่างเรากับกองทหารหลวงพอถึงค่ายที่พักอันเล่นลับของเราข้าพเจ้าจะถอดเครื่องทรงของปริพาชกออกกลายเป็นคนธรรมดานำพลพักเข้าเขณฑ์ฆ่าทหารฝ่ายศัตรูบางทีข้าพเจ้าอาจจะเสียชีวิตในการสู้รบนั้นแต่ข้าพเจ้า ก็จะตายด้วยความภาคภูมิใจว่าตนได้ปรีชีพเพื่อบูชาพระมหากรุณาธิคุณแก่พระราชาทิปบดีพิมพิสารแล้วข้าพเจ้าขอกราบลาท่านไปก่อนว่าแล้วเท ว, วมิตรก็กราบข้าพเจ้าถือเอาแผ่นหนังเสือและหม่อทองเหลืองเดินจากข้าพเจ้าไปท่ามกลางความขมุกขมัวแห่งสายยันการ ท่านผู้มีอายุการได้พบกับเทวมิตรอุบาสกในเพศพันธ์อันแปลกประหลาดและได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เขาเล่าให้ฟังทำให้กวเจ้าเกิดความรู้สึกแปลกๆใหม่ ๆ, ๆ, ๆขึ้นมาในใจรู้สึกว่าโลกนี้ช่างเต็มไปด้วยสิ่งประหลาดสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้สิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นไม่ได้กลับเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่นเทวมิตรอุบาสกนี้เมื่อผมเป็นประธานสงฆ์ตั้งหลักอยู่ที่พระเวรุวนารามเขาเป็นผู้หนักแน่นในธรรมเคร่งครัดในศีลาจารวัตของสัตบุรุษเข้าวัดสมาทานฟังธรรมเป็นประจำมีอุปนิสัยกว้างขวางยินดีในการบริจาคสดับคำของยาจกประดุดข่าวดียังปัจัจทยทานให้ตกไป ประดุดฝนในฤดูกาลแต่บัดนี้เล่าเขากลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทุกประการเขาได้กลายเป็นมหาโจรผู้มีมือเปื้อนด้วยโลหิตยินดีในการเผด็นฆ่ามนุษย์ผู้หาความผิดไม่ได้สละคฤหัสถ์อันมโหฬารพร้อมทั้งบุตรภรรยาออกไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าได้รับความลำบากแสนสาหัสอะไรเล่า ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนไปเช่นนั้นเขาพระเจ้ารุ่นคิดปัญหาข้อนี้จึงกระทั่งนำตัวเองมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวขณะนั้นเป็นเวลามืดสนิทแล้วแต่ยังไม่ดึกเกินไปตามปกติในยามนี้ชีวิตในหมู่บ้านทั้งหลายของมกัฐย่อมเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเพราะประชาชนที่เหน็ดเหนื่อ ย, ยตากตํากับการงานมาตลอดวัน ได้กลับบ้านอาบน้ํารับประทานอาหารแล้วก็นั่งจับกลุ่มคุยกันบ้างดีสีตีเป่าเครื่องดนตรีเป็นการพักผ่อนบ้างฝ่ายเด็กๆ ก, ก็ลงเล่นไล่กันบนถนนกลางหมู่บ้านส่งเสียงอึง่งคันึ่งเป็นที่น่าสนุกสนานแต่สําหรับหมู่บ้านนี้รู้สึกว่าบรรยากาศเงียบเหงาอย่างประหลาดไม่มีคนนั่งจับกลุ่มสนทนากันบนลานบ้าน ไม่มีเสียงเด็กเล่นกันบนถนนมีแต่แสงไฟวอกแวมออกมาทางประตูบ้านซึ่งส่วนมากเป็นกระท่อมดินเหนียวฉาบบูนโคเช่นเดียวกับหมู่บ้านทั้งหลายเาพเจ้าเดินไปตามถนนอันสงบเงียบจนถึงศาลากลางหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านช่วยกันสร้างไว้สำหรับคนเดินทางได้เข้าไปพักอาศัยนับว่าโชคดีสำหรับข้าพเจ้าที่ไม่มีใครพักอยู่ในศาลาก่อนเลย เมื่อเลือกมุมที่เหมาะสมได้แล้วก็จัดการปัดกวาดปูผ้าอาบน้ำฝนลงบนเสือ่อวางบาดและบริขารไว้ข้างๆแล้วก็นั่งลงพักผ่อนบรรยากาศในสลาเงียบเหงาแต่ก็สงบดีสำหรับข้าพเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ากาลังนั่งพักผ่อนอยู่อย่างสงบนั้นก็มีชายแก่อายุประมาณเจ็สิบปีเดินเข้ามาในศาลาแม้บรรยากาศจะมืดสลัวข้าพเจ้าก็อาจจะทายได้ว่าเขาเป็นคนแก่เพราะกริยาท่าทางเดินของเขาดูงกๆเงิื่นๆอย่างคนชราเขาหยุดยืนอยู่ที่กลางศาลาแล้วก็พูดด้วยเสียงสั่นๆแบบคนชราที่ไม่มีฟันว่า ออท่านสมณะท่านอยู่ที่ไหนหรือข้าพเจ้ามองไม่เห็นท่านนี่อาตมาอยู่ที่นี่อุบาสกข้าพเจ้าตอบออกไปโอ้โอมืดเหลือเกินมองไม่เห็นอะไรเลยชายฉลากล่าวพางเดินมาทางข้าพเจ้าเมื่อมาถึงที่ข้าพเจ้านั่งอยู่เขาได้นั่งราบลงกับพื้นแล้วยกมือไหว้ข้าพเจ้ากำลังนั่งอยู่ที่หน้ากระท่อม หลานชายมาบอกว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามาตามถนนและมาแวะเข้าพักในศาลาพักคนเดินทางข้าพเจ้าเกิดความสนใจอยากจะสนทนาด้วยอุสาเดินฝ่าความมืดตามมานาแล้วทีเดียวท่านสมณะที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสพบปะสนทนากับสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลตั้งแต่บ้านเมืองเกิดยุคเข็นเป็นต้นมารู้สึกว่าสมณะพราหมณ์ท่านหลาย ที่เคยท่องเที่ยวไปมาตลอดฤดูขิมหันเคยแวะมาพักที่หมู่บ้านของเราเสมอๆกลับหายหน้าหายตาไปตามๆกันวันนี้นับว่าโชคดีที่ท่านมาพักเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าจะขอสนทนากับท่านให้นานสักหน่อยถ้าท่านไม่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจนเกินไปชายฉลาดกล่าวจบก็หอบหักหักด้วยความเหน็ดเหนื่อยอัตมาไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรดอก อุบาสกเพราะเพิ่งเดินทางมาจากตะโปธาทานใกล้ๆนี้เองอาตมายินดีจะสนทนากับท่านนานเท่าที่ท่านประสงค์แต่บรรยากาศในสลาค่อนข้างจะมืดถ้าเราสามารถมองเห็นหน้ากันได้ขณะที่สนทนาก็คงจะเป็นการดีไม่น้อยอ้อท่านสมณะขอนั้นทำไมต้องวิตกข้าพเจ้าสั่งให้หลานชายนําดวงประทีปและน้ำดื่มมาให้ท่านแล้วละ่ะ เขาคงจะมาถึงในไม่ช้านี้แหละอุบาศกหมู่บ้านแห่งนี้ดูเหมือนอาตมาจะเคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแม้ในยามราตรีเช่นนี้ก็เคยผ่านแต่คราวก่อนๆรู้สึกว่าหมู่บ้านคึกคักมีผู้คนพลุกพล่านคราวนี้รู้สึกว่าเงียบเหงาผิดปกติคงจะมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้กระมังชายชลาถอนหายใจเฮือกใหญ่นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า โอ้ท่านสมณะข้าพระเจ้าเชื่อว่าคงจะไม่ใช่หมู่บ้านนี้แห่งเดียวเท่านั้นหรอกที่ต้องซบเซาเงียบเหงาไปหมู่บ้านทุกแห่งในเขตแขวงนครราชครืนี้ก็คงจะเงียบเหงาเช่นเดียวกันจะไม่ให้ยเงียบเหงาได้อย่างไรเราท่านสมณะก็ในเมื่อหมู่บ้านของเรามีแต่คนแก่ผู้หญิงและเด็กๆ เ, เท่านั้นที่อยู่เฝ้าบ้านพวกผู้ชายก็พากนันหนีเข้าป่าไปหมดสิน้น คำพูดของชายชลาทําให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงเทวมิตรอุบาสกขึ้นมาทันทีแต่เพื่อให้แน่ใจจึงถามชายแก่ว่าเพราะเหตุใดเล่าผู้ชายจึงพากันหนีไปอยู่เสียในป่าหมดท่านสมณะชายชลากล่าวพางขยับเข้ามาใกล้ๆข้าพเจ้าท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าบ้านเมืองของเรากำลังอยู่ในยุคทรราชอาชาติศัตรู ได้ปรงพ ร, พระชนกของตนเองแล้วก็ขึ้นครองราชสียเองยังความโกรธแค้นจริงชังให้เกิดแก่ขราชบริพารและไพล่ฟ้าคาแผ่นดินผู้ยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตย์องค์เดิมเป็นอันมากพวกข้าพเจ้าเป็นขราชบริพารเดิมจึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อกำจัดพระเจ้าอาชาติศัตรูเสียแต่ก็คงทำได้ยากเพราะพระองค์มีพระพวกและอำนาจมากเพราะฉะนั้น ฝ่ายต่อต้านจึงได้ออกไปส่องสมผู้คนตั้งเป็นกองโจรคอยลังควานอยู่ในป่าบรรดาชายชกันทั้งหลายในหมู่บ้านของเราต่างก็เข้าไปสมัครเป็นพักพวกกับกองโจรจนหมดสิน้นเพราะฉะนั้นหมู่บ้านของเราจึงได้ดูเงียบเหงาอย่างนี้แหละ ดูก่อนอุบาสกอาตมาแปลกใจเหลือเกินว่าทําไมชายชะกำทั้งหลายจึงยินดีไปเข้าเป็นสมัครพรรคพวกของกองโจรหรือเขาถูกบังคับขู่เข็นจากพวกกองโจรอ๋ อ, อเข้าไปเองด้วยความสมัครใจท่านสมณนะพวกกองโจรไม่ได้บังคับขู่เข็นเลยเหตุที่ยินดีไปก็เพราะคุณงามความดีของหัวหน้าโจร น, นั่นเองพอได้ฟังคําพูดของชายชะลา ข้าพเจ้าก็เกิดความหวังลางๆขึ้นมาทันทีว่าคราวนี้จะได้รู้จักหัวหน้ากองโจรเขาคงไม่ได้ทําสักจับปฏิญญาณที่จะปิดชื่อหัวหน้าโจรไว้เป็นความลับแน่ๆหัวหน้ากองโจรคือใครลึอกอุบาสกชายชราหนิ่งพึ้องอยูครู่หนึ่งแสดงกริยากระสับกระใสคล้ายกับไม่อยากบอกความจริงพอดีขณะนั้นหลาดชายของเขาได้เอาประทีปน้ํามัน และหมอน้ำดื่มมาส่งให้ในศาลาชายแก่ยกหม้อน้ำขึ้นถวายข้าพเจ้าแล้วก็เชิญให้ดื่มข้าพเจ้านำกระบอกกรองน้ำออกมาจากบาทกรองน้ำจากหม้อน้ำใส่ภาชนะของตนเองแล้วก็ดื่มน้ำดื่มอันเย็นจืดสนิทของชายชราผู้เอื้อเฟื้อทำให้เกิดความสดชื่นกระปี้กระเป่าขึ้นอีกมากอุบาสกท่านคงรู้สึกไม่สบายใจ ที่จะบอกชื่อหัวหน้ากองจนแกอัตมาไม่ต้องบอกก็ได้อัตมาไม่สนใจที่จะทราบเท่าไหรหรอก ถ, ถึงทราบแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อนไรแกอตมาผู้เลิกยุ่งเกี่ยวกับโลกแล้วอ๋อข้าพเจ้าจะบอกให้ก็ได้ท่านสมณะแต่ท่านจะต้องให้คำมั่นสัญญาก่อนว่าเออว่าจะเก็บไว้เป็นความลับจะไม่นาไปแผ่นพลายให้ใครทราบเป็นอันขาด อาตมาให้คำบัมม่นสัญญาไม่ได้ดอกอุบาสกสมณวิสัยไม่ยอมให้อาตมาให้คำ ม, มั่นสัญญาในเรื่องโล ก, กียะวิสัยกับใครๆถ้าท่านยังไม่เชื่อในความเป็นสมณะของอาตมาก็อย่าบอกแต่ถ้าท่านเชื่อและไว้วางใจในสมณะเพศของอาตมาก็บอกได้หรือเชื่อแต่ไม่บอกก็ได้ตามใจท่าน ชายชรานั่งนิ่งอยู่ไม่ยอมบอกชื่อหัวหน้าโจรข้าพระเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าอุบาสกธรรมดาโจรทั้งหลายย่อมมีความโหดร้ายทารุณเป็นที่หวาดกลัวและเกลียดชังแก่ประชาชนทั่วไปมิใช่หรือเหตุไหนท่านจึงกล่าวว่าชายชะกันในหมู่บ้านยินดีไปเข้าสมัครเป็นพักพวกของคุณงามความดีของหัวหน้าโจรเล่าออ เขาเป็นคนดีจริงๆท่านสมณะและไม่ดีเฉพาะตัวเขาเท่านั้นแต่ดีมาตั้งแต่บิดาของเขาแล้วแหละข้าพเจ้าจะเล่าความจริงให้ฟังหัวหน้าโจรไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอย่างข้าพเจ้าเขาเป็นคลือหบดีผู้ลำรวยมหาศาลสำเร็จการศึกษาจากตักกศิลาอยู่คลือหัดอันโอโถงภายในพระนครราชครประกอบด้วยคุณธรรมอันงาม เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปที่นาทั้งหลายในหมู่บ้านของเราก็ดีในหมู่บ้านอื่นๆทางแถบเหนือของกรุงราชคลึกก็ดีล้วนเป็นสมบัติของท่านผู้นั้นเป็นที่ที่พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานแก่ขลุหบดีผู้บิดาของท่านอีกทีหนึ่งเมื่อบิดาถึงแก่มรณกรรมท่านก็รับมรดกตกทอดต่อมาท่านสมณะข้าพเจ้าเองเป็นคนวรรณะสูตร เคยอาศัยที่ดินของบรรดาเศษรษฐีกฤหบดีทามาหากินมาหลายแห่งแต่ก็ไม่เคยเห็นเจ้าของไรนาคนใดจะมีจิตใจอันประเสริฐเหมือนกับท่านผู้นี้ส่วนมากล้วนแต่โลภมากไม่รู้จักสิ้นสุดโหดร้ายทาลุนขูดรีดเลือดเนื้อจากลูกนาประดุด ธ, ธาตแต่ท่านผู้นี้ตรงกันข้ามทุกอย่างตั้งแต่เราเข้ามาอาศัยทานาของท่านเลี้ยงชีพ ไม่เคยประสบความเดือดร้อนเลยท่านเก็บเอาส่วนแบ่งค่าทำนาแต่น้อยเพียงหนึ่งส่วนในสิบส่วนเท่านั้นเองขณะที่เจ้านาคนอื่นเก็บตั้งแต่สามถึงห้าในสิบส่วนไม่ว่าการทำนาจะได้ผลหรือไม่ได้ผลส่วนท่านผู้นี้ท่านจะเก็บเฉพาะผู้ที่ทำนาได้ผลหรือเฉพาะในปีที่ฝนบริบูรณ์ทำนาได้ผลบริบูรณ์เท่านั้นยิ่งกว่านั้น ถ้าลูกนาคนใดประสบความยากแค้นขัดสนด้วยปัจจัยใดๆไปหาท่านท่านก็ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เห็นแก่น้าและไม่หวังสิ่งตอบแทนท่านขอร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือให้ลูกนาของท่านทุกคนมีความสัตว์และกระทำความดีต่อกันรักกันช่วยเหลือกันดุดพี่น้องชาวบ้านต่างก็เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาแนะนาของท่าน ด้วยความยินดีท่านสมณะข้าพเจ้าคิดว่าในมรดคลัททั้งสิ้นข้าพเจ้าคงจะหาเจ้านายเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วแม้ท่านจะอยู่ในไว้หนุ่มนั่นแต่ข้าพเจ้าก็เคารพบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจข้าพเจ้ายังจําได้ถึงคําพูดที่ท่านพูดเสมอเมื่อออกมาเยี่ยมลูกนาว่าแม้ข้าพเจ้ามีเม็ดข้าวอยู่เต็มยุ้งจํานวนร้อยข้าพเจ้าข้บริโภคเพียงเท่าที่ท้องจะอํานวย วันละสามครั้งเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายแม้ข้าพเจ้าจะมีครือหาดอันใหญ่โตมโหฬารข้าพเจ้าก็ใช้มันจริงๆเท่าที่หลังหรือก้นของข้าพเจ้าจะนั่งหรือนอนได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะโลภโมโทสันไปทำไมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกผู้ยากจนมีดีกว่าหรือท่านสมณะ ก็เมื่อหัวหน้าโจรมีคุณธรรมสูงถึงปานนี้ชาวบ้านจึงได้เคารพ บ, บูชาและพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่อท่านในเมื่อท่านเรียกร้องต้องการชายแก่หยุดหายใจหอบอีกครั้งเพราะการพารณาคุณอันยืดยาวของหัวหน้าพลพักโจรท่านผู้มีอายุจากคำบรรยายอย่างละเอียดระออของชายชราทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นว่าหัวหน้าโจรนั้น ใช่ใครที่ไหนไม่หากได้แก่เทวมิตรอุบาสกของข้าพเจ้านั่นเองเพราะทราบดีว่าตระกูลของเทวมิตรเท่านั้นที่เป็นเจ้าของที่นาทั้งแถบเหนือของ ก, กรุงราชฤกษ์เทวมิตรเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเสมอถึงความยากจนของลูกนาและวิธีการต่างๆที่เขาได้ช่วยลูกนาคุณสมบัติอื่นๆที่ชายชะลาเล่าให้ฟัง ก็ตรงกับคุณสมบัติของเทวมิตรอุบาสกทั้งสิน้นเมื่อแน่ใจเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวขึ้นว่าอุบาสกเอ้ยแม้ท่านจะไม่ยอมบอกชื่อหัวหน้าโจรอาตมาก็าทราบแล้วว่าเขาคือใครอาตมาจะบอกให้ก็ได้ว่าเขาคือเทวมิตรคริหะบดีอ้าท่านทราบได้อย่างไรชายฉลาถามจ้องดูข้าพเจ้าด้วยความงุนงง ดูก่อนอุบาศกอาตมารทราบเพราะอาตมารู้จักกับเขามาก่อนอาตมาได้อยู่จำพรรษาที่พระเวรุวรณ า, ารามหลายปีเขาเป็นอุปถัก์ใกล้ชิดของอาตมาไปฟังธรรมที่พระอารามทุกวันธรรมสวนะและเคยเล่าให้อาตมาฟังถึงเรื่องนา เรื่องลูกนาเรื่องการช่วยเหลือลูกนาตรงตามที่ท่านเล่าให้ฟังทุกประการเพราะฉะนั้นหัวหน้าโจรจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทวมิตรคลือหะบดีเขาได้หายไปจากบ้านพร้อมด้วยฆ่าทากบริวาร น, นานมาแล้วขลือหัดของเขาเวลานี้ก็ถูกทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูยึดไว้บุตรภรรยาของเขาก็ถูกจับไว้เป็นตัวประกัน อาตมาสงสารและเห็นใจเขามากทีเดียวอุบาสกแต่ไม่สามารถจะช่วยเขาได้อย่างไรท่านสมณะชายชลากล่าวพลางถอนหายใจข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถจะช่วยเขาได้เพราะข้าพเจ้าแก่แล้วถ้ายังหนุ่มแข็งแรงอย่างแต่ก่อนข้าพเจ้าจะต้องไปช่วยเขาสู้รบกับกองทหารของพระเจ้าอาชาศัตรูอย่างแน่นอนขณะที่เรากาลังสนทนากันอยู่นั่นเอง ข้าพเจ้าได้ยินเสียงเท้าของคนหลายคนกระทบพื้นดังมาแต่ไกลชายชราหยุดพูดทันทีทันใดเงี่หูลงฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงสั่นๆว่ามาแล้วท่านสมณนะมาแล้วอะไรมาหรืออุบาสกข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยแกมตื่นเต้นกอทหารของพระเจ้าอาชาสตรูร้แล้สิชายชรา กล่าวเพื่อเป็นเสียงกระซิบดวงตาอันขุ่นมัวของเขาดูมีแววแข็งกร้าวขึ้นเป็นพิเศษเขามาทําไมเขาไปเจ้าถามเขาตั้งค่ายอยู่ชายป่าทั้งทิศเหนือหมู่บ้านของเรามาสามวันแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้กองโจรเข้ามาเกณฑ์เอาเสบียงอาหารจากชาวบ้านตอนกลางคืนเขาจะส่งหน่วยทหารมาประมาณสิบคนมีอาวุธครบมือออกปัตะเวนตามหมู่บ้าน ถ้าพบคนแปลกหน้านอกจากชาวบ้านเขาก็จะจับไปสอบสวนที่ค่ายทหารถ้าจับได้ว่าเป็นโจรเขาก็จะจัดการฆ่าเสียถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่โจรเขาก็จะปล่อยตัวไปหน่วยลาตระเวนกำลังใกล้ศาล า, าเข้ามาแล้วเขาจะต้องขึ้นมาสารวจภายในศาลานี้เป็นแน่ถ้าอย่างนั้นอาตมาควรจะทำอย่างไรเขาคงจะจับอาตมาไปสอบสวนแน่ๆเพราะอาตมาไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้ สำหรับอาตมานั้นไม่เป็นไรหรอกเกยงว่าอุบาสกจะต้องปลอยลำบากไปด้วยเท่านั้นก่อนที่ชายชร า, าจะทันได้โต้ตอบพวกทหารก็มาหยุดยืนอยู่ข้างหน้าสลาและมีเสียงอันแข็งกร้าวดังมาจากทหารกลุ่มนั้นว่า ใครอยู่ในศาลานะ่ะข้าพเจ้าเองพ่อเท่ากัสปะและพระภิกษุลูกหนึ่งชาฉลาตอบออกไปไม่มีเสียงตอบจากกลุ่มทหารนอกจากเสียงสนทนาระหว่างพวกเขาเองเบาๆแต่ครู่หนึ่งต่อมาทหารสามสี่คนก็เดินคลมคมเข้ามาในศาลาทุกคนถือดาบอันคมกริบไว้ในมือเข้ามาหยุดยืนเลียงหน้าเราทั้งสองคนในท่าเตรียมพร้อม ดาบของเขาส่องแสงแปรบปราบเมื่อต้องกับแสงประทีปของเราถ้าหารคนหนึ่งในบรรดาสามคนจ้องดูหน้าข้าพเจ้าทีหน้าชายชราทีอย่างพินิตพิเคราะห์แต่ไม่พูดว่าอะไรเมื่อเชื่อแน่ว่าเราทั้งสองเป็นบุคคลประเภทไม่มีพิษมีภัยแก่เขาแล้วถ้าหารทั้งสามคนก็เดินออกจากสลาไปไม่มีใครดอกท่านหัวหน้าเสียงเข้ารายงานให้นายทราบ มีเท่ากับสปะกับภิสุรูปหนึ่งเท่านั้นเสียงรายงานของทหารแล้วก็มีเสียงสนทนาเบาๆระหว่างพวกเขาแล้วก็เสียงเท้ากระทบพื้นดังออกไปจากสลาท่านสมณะชายชรากปะพูดขึ้นเมื่อเสียงพีเท้าของทหารหายไปในระยะทางแล้วทหารทุกคนรู้จักข้าพเจ้าดีเพราะข้าพเจ้าเป็นบุรุษอาวุโสในหมู่บ้าน เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแต่เขาก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าอยู่ทุกระยะเหมือนกันพระบุตรชายของข้าพเจ้าก็ได้ไปร่วมกับพวกโจรและเป็นหัวหน้าคุมพลพรรคโจรกลุ่มหนึ่งด้วยดูก่อนอุบาสกตอนที่ทหารสามคนยืนช่องหน้าเราอยู่นั้นอัตมาไม่สบายใจเลยเกรงว่าเขาจะจับเอาอัตมาไปสอบสวนแล้วท่านจะพลอยมีความผิดไปด้วย เพท่านมาอยู่กับอาตมาชายชราหัวเราะฮือฮแล้วก็ตอบว่าไม่ต้องวิตกหลอกท่านสมณะข้าพเจ้ารู้จักพวกนี้ดีมันไม่แตะต้องสมณะชีพราหมหรอกดูเหมือนว่าพระเจ้าอาชาศัตรูจะทรงสั่งกําชับไว้เป็นพิเศษมิให้เบียดเบียนนักบวชทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอจเจลกะปริพาชกภิกษุชะดินดาบทฤาษีหรือสัญญาศี สำหรับข้าพเจ้าเองท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะข้าพเจ้าแก่แล้วอีกไม่นานก็จะจากโลกนี้ไปยิ่งจากไปเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการดีเท่านั้นเพราะชีวิตสำหรับคนในวัยของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดน่าลื่นล้มหรอกท่านสมณะอยู่ทนทุกข์ทรมานไปวันวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้กลัวตายและข้าพเจ้าก็ได้สั่งบุตรชายไว้แล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้ตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมืองให้ดีที่สุดก็พอถึงแม้พ่อจะได้รับอันตรายจากฝ่ายข้าศึกถึงตายก็ไม่ต้องเป็นห่วงความตายก็คือความสุขของพ่อข้าพเจ้าได้สั่งลูกไว้อย่างนี้เขาก็เข้าใจและรับว่าจะกระทําตามคําสั่งของข้าพเจ้าเป็นเวลานา น, นเท่าไหร่แล้วตั้งแต่บุตรของท่านจากไปโอ้นานทีเดียวท่านสมณะ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าไม่ต่ำกว่าสามเดือนแต่รู้สึกว่ามันนานตั้งสามปีสําหรับข้าพเจ้าแม้จะทําใจให้แข็งไว้เท่าไรก็รู้สึกว่าอดที่จะเป็นห่วงลูกไม่ได้ชายฉลากล่าวด้วยเสียงสะล ด, ดท่านเคยพบปะกับลูกบ้างหรือเปล่าข้าพเจ้าถามอ้อเคยพบสองสาครั้งท่านสมณะแต่เป็นการพบในลักษณะที่ประหลาดเสมอเพราะเขามักจะมาในรูปของจดิน ผู้มีผมเป็นกระเซิงมีหนวดเคราลุ่มร่ามนุ่งห่มหนังเสือถือไม้เท้าดูท่าทางแก่กว่าข้าพเจ้าเสียอีกคำตอบของชายชลาทำให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงวสุเทวะปริภาชกอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าการปลอมตัวเป็นนักพลศได้กลายเป็นวิธีการตกตาทาหารหลวงอย่างแพร่หลายข้าพเจ้าเกรงว่าสักวันหนึ่งคงจะถูกจับได้อย่างแน่นอน ดูก่อนอุบาสกแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าบุตรชายของท่านไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าถามต่อไปด้วยความอยากรู้ทั้งๆ ท, ที่มีได้หวังคำตอบอะไรมากนักจากชายชลาเพราะมันอาจจะเป็นคำตอบที่ร่อแหลมต่ออันตรายเกินไปชายชลามองดูรอบๆตัวและเงียบหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจครู่หนึ่งแล้วตอบออกมาตามตรงซึ่งทาให้ข้าพเจ้าประหลาดใจไม่น้อย ที่เขาเชื่อและไว้วางใจข้าพเจ้าอย่างสนิทใจเช่นนั้นอ้อรู้สิท่านสมณะเขาอยู่ในป่าใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของเราเท่าไหร่นักแล้วทหารฝ่ายข้าศึกไม่รู้ดอกหรืออุบาสกว่าเขาพร้อมด้วยพลพักซ่อนตัวอยู่ในป่านั้นข้าพเจ้าถามก็รู้เหมือนกันแหละท่านสมณะก็เพราะเหตุนี้แหละเขาจึงยกกองทหารมาตั้งค่ายไว้ที่ชายป่า เพื่อมิให้กองโจรติดต่อขอสเสบียงอาหารจากชาวบ้านและออกลาดตระเวนดูความเคลื่อนไหวของชาวบ้านเป็นประจำ mm hmm. ก็เมื่อเขารู้ที่อยู่ของกองโจรแน่นอนแล้วเช่นนี้ทาไมเขาไม่ยกกำลังเข้าโจมตีเล่าอุบาสกอ๋อ mm hmm. oh, ไม่ง่ายเลยท่านสมณะไม่ง่ายเลย mm hmm. ชายฉลาพูดยิ้มยิ้มอย่างภาคภูมิใจ mm hmm. กองทหารของพระเจ้าอาชาศัตรู mm hmm. เคยยกเข้าไปโจมตีสามครั้งแล้ว แต่ทุกครั้งก็พ่ายแพ้ย่อยยับกลับมาเสียลีพลและอาวุธไปเป็นอันมากบุตรชายของท่านและผลพักของเขาคงจะมีกําลังเหนือกว่ามากหรือมิฉะนั้นก็คงจะมีอาวุธพิเศษที่ทรงพลังเหนือข้าศึกถ้าพูดถึงกําลังพลแล้วบุตรชายของข้าพเจ้าเสียเปรียบข้าศึกมากแต่พูดถึงเชิงกลยุทธ์และอาวุธแล้วเขาได้เปรียบทุกประตูทั้งๆ ท, ที่อยู่ในป่า น, นั่นแหละ ท่านสมณะเขาสามารถที่จะรู้การเคลื่อนไหวของข่าสศึกทุกฝีก้าวคล้ายๆกับว่าต้นไม้ทุกต้นมีหูมีตาฉะนั้นแหละความจริงแล้วต้นไม้ก็มีหูมีตาจริงๆแต่ไม่ใช่หูตาของต้นไม้จริงๆดอกหูตาของคนธรรมดานี่แหละบนต้นไม้ใหญ่ทุกต้นจะมีทหารโจรแอบอยู่อย่างมิจิตยากที่จะงสังเกตเห็นทหารโจรเหล่านี้เป็นนายขมังธนู ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างดีมีฝีมือในการยิงธนูได้แม่นยำและรวดเร็วมากเขาสามารถที่จะยิงลูกในตาของข้าศึกที่อยู่ห่างออกไปประมาณห้าร้อั่วคันธนูได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะปล่อยลูกสอนลูกที่สองออกไปในเมื่อลูกแรกยังไม่ถึงจุดหมายเสียด้วยซ้ำวิธียิงธนูแบบนี้ท่านเทวมิตะคฤหบดีเรียนมาโดยเฉพาะ จากสำนักอาจารย์ทิศาปาโมกแห่งเมืองตักศิลาท่านไม่ทราบดอกลือท่านสมณะไม่ทราบเลยอุบาสกเพราะเทวมิตรคฤริบดีไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ตมาฟังเลยข้าพเจ้าตอบพลางนึกจมความสามารถในเชิงยิงธนูของกองโจรอยู่ในใจแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าถ้าพวกกองโจรเก่งในการยิงธนูและอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนมากทาไมทหารหลวง จึงไม่บุ่งยิงฆ่าศึกบนต้นไม้ก่อนโดยใช้โล่เป็นเครื่องป้องกันลูกศรผมได้ถามถึงชายชลาถึงเรื่องนี้และเขาก็ได้ตอบพร้อมกับหัวเราะอย่างพอใจว่าท่านสมณะอาวุธของพวกกองโจรใช่จะมีอยู่เฉพาะข้างบนเท่านั้นก็หาไม่แต่บนพื้นดินเบื้องล่างก็มีและมีความร้ายแหล่งพอๆกับอาวุธที่มาจากข้างบนอาวุธอะไรหร ข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยมีหลายชนิดท่านสมณะตัวอย่างเช่นหลุมลึกเต็มไปด้วยควากน้ำอันแหลมอาบด้วยยาพิษถ้าทหารเคาะร้ายคนใดตกลงไปก็มีหวังถูกควากน้ำอันแหลมคมแงทงทะลุเท้าและอวัยวะอื่นๆเมื่อได้รับบาดแผลจากควากน้ำแม้เพียงเล็กน้อยแล้วยาพิษซึ่งทําด้วยยางไม้ชนิดหนึ่งก็จะแล่นซึมซาบเข้าสู่สายเลือด ทำให้ผู้บาดเจ็บหายใจไม่ออกเกิดหน้าเขียวตายภายในไม่ช้าไม่มียาใดๆจะรักษาให้หายได้กู้เมือรู้อยู่ว่าเป็นหลุมเต็มไพื่อได้ขวากน้ำก็เว้นเสียไม่ได้หรือจะตกลงไปทําไมข้าพเจ้ากล่าวขึ้นเป็นเชิงค้านชายชราหัวเลาะและตอบว่าอ้จริงของท่านท่านสมณะถ้าเขาเห็นหลุมเขาก็จะพอจะหลีกเลี่ยงได้แต่ข้อสาคัญเขาไม่เห็น และไม่มีทางจะทราบได้เลยว่าหลุมอยู่ที่ไหนเพราะพวกโจรได้ปกปิดปากหลุมไว้เป็นอย่างดบีบางทีเดินไปเรียบเรียบนึกว่าไม่มีแต่เดินไปกลับตกหลุมบางทีทหารข้าศึกเห็นหนทางเรียบเกินไปจึงเกิดความสงสัยจึงได้เดินเลี่ยงไปเสียในป่าข้างทางแต่กลับไปตกหลุมเข้าอีกจนได้เป็นอันว่าไม่มีที่ใดๆเลยที่จะปราเสศจากหลุม และไม่มีทางที่จะสังเกตได้เลยว่าที่ไหนน่าจะมีหลุมที่ไหนน่าจะไม่มีข้าศึกจึงประสบความลำบากใหญ่อย่างมากเพราะทํามัวไปก้มพิจารณาดูหลุมก็จะถูกลูกศรจากข้างบนถ้าไปมัวระวังลูกศรก็ตกหลุมเพราะฉะนั้นการเข้าไปในป่าจึงมีอันตรายรอบด้านทหารข้าศึกจึงพอใจที่จะตั้งคุมเชิงอยู่ที่ชายป่าเพื่อตัดกําลังกองโจร มากกว่าที่จะบุกเข้าไปโจมตีอุบาสกก็เมื่อกองโจนถูกกองทหารค่าศึกตั้งค่ายคุมเชิงอยู่อย่างนี้ไม่สามารถจะออกมาติดต่อกับโลกภายนอกได้ไม่ได้รับสเสบียงอาหารเพิ่มเติมเขาจะอยู่ได้อย่างไรเขาเอาอะไรกินกันขณะที่ชายชลากำลังจะตอบนั่นเองหลานชายของเขาก็ตามมาเรียกให้กลับบ้านบอกว่าได้เวลาพักผ่อนหลับนอนแล้ว ชยชลาจึงจำต้องอำลาจากไปท่านสมณะเขากล่าวก่อนจากข้าพเจ้ายังมีเรื่องดีๆจะเล่าให้ท่านฟังอีกมากถ้าท่านไม่รีบร้อนไปที่อื่นข้าพเจ้าจะมาสนทนากับท่านอีกในวันรุ่งขึ้นว่าแล้วก็ให้หลานชายจูงมือเดินออกจากสลาไป ผู้มีอายุข้าพเจ้ามีโอกาสได้อยู่คนเดียวภายในศาลาอันเงียบสงบอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ่งแวดล้อมสงัดเงียบจิตใจก็เริ่มคิดคำนึงตามปกติจิตใจของข้าพเจ้าทางานคิดได้ดีกว่าในสิ่งแวดล้อมอันสงบเงียบไม่มีรูปเสียงใดๆมาดึงดูดความสนใจตลอดเวลาที่ผ่านมารู้สึกว่าข้าพเจ้าได้นาตนเข้าไปครุกคลี เรื่องของทางโลกมากไปจนเกือบจะลืมกิจวัตรในทางธรรมหมดสิ้นเฉพาะอย่างยิ่งเทวมิตรอุบาสกได้เข้ามาทําลายสมาธิจิตของข้าพเจ้ามากเป็นพิเศษจิตใจของข้าพเจ้าคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของเขาตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมของข้าพเจ้าและเคยมีอุปการะต่อข้าพเจ้ามากนั่นเอง เสียงสุนัขเห่าหอนดังฝ่าความเงียบแต่ไกลแสดงว่าสุนัขได้กระทำหน้าที่ของมันแล้วมันยอมจะเห่าในเมื่อประสบกับคนหรือสิ่งที่มันควรเห่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันเตือนให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงหน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมณนะข้าพเจ้ามีหน้าที่เว้นจากความชั่วกระทำความดี และชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดในขณะเดียวกันก็ต้องสอนคนอื่นให้เว้นทั่วกระทำดีและชำระจิตใจของเขาเข้าไเจ้าถามตัวเองว่าตนได้ทำหน้าที่เต็มที่หรื อ, อยังเมื่อสำรวจตรวจตาดูตนเองก็พบว่ายัางไม่ได้ทำหน้าที่ให้เต็มบริบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในการสอนคนอื่นเทวมิตรอุบาสกผู้มีอุปการะคุณ เวลานี้กำลังหมกมุ่นอยู่กับความชั่วอย่างเต็มที่เขาได้กลายเป็นโจร น, นำพลพรรคเข้าต่อสู้กับกำลังทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูงานประจำวันของเขาก็คือการเขียนฆ่ามนุษย์ด้วยอุบายวิธีอันฉลาดต่างๆพ้นแห่งการกระทำของเขาทำให้ตนเองตกอยู่ในภาวะบ้านแตกสแสแลกขาดทำให้พวกพอกบริวารต้องพัดพรากจากบุตรภรรยาและทาให้บ้านเมืองทั้งสิ้น เกิดความระสำาระสายวุ่นวายเขากำลังป่วยทางใจอย่างหนักเพราะจิตใจของเขากำลังถูกความพยาบาทอาฆาตและความหลงครอบงำจนขาดสติสัมปชัญญะเขาเปรียบเทียบเหมือนคนป่วยมีอาการเพียบหนักและกำลังต้องการยาและบุคคลซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหมอยาผู้ให้ยาแก่เขาก็คงจะไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าข้าพเจ้า ซึ่งเขามีความเคารพนับถืออย่างสูงและเมื่อคิดถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็เกิดความตั้งใจที่จะอยู่แถวแถวนี้และหาทางช่วยให้เทวมิตรเลิกล้มการกระทำความชั่วนั้นเสีย mm. แต่ท่านผู้มีอายุ ขณะที่กำลังจะตัดสินใจอยู่หรือไปนั่นเองภาพของพระเทวทัพและพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ปรากรดขึ้นมาในห่วงนึกเฉพาะพระเทวทัพนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทูตแห่งความชั่วร้ายโดยตรงอันคนชั่วนั้นถ้าชั่วเพราะความผิดชั่วคราวเพราะถูกคนอื่นยุยงส่งเสริมก็ยังพอจะให้อภัยได้เพราะเบื่อได้สติกลับคืนมาเขาอาจจะกลับตัวเป็นคนดีได้ และเป็นคนดีที่จะไม่กลับไปทำชั่วอีกเพราะเขาได้รู้รสของความชั่วแล้วเข็ดหลาบแล้วดุดทาลกที่จับไฟถูกไฟไหม้มือแล้วก็ไม่กล้าจับไฟอีกแต่คนชั่วบางคนก็ชั่วเพราะนิสัยสันดานชั่วอย่างแท้จริงแม้พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เปนยอดสารถีฝึกคนก็ยังไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาเมื่อคิดมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็เกิดความท้อถอยที่จะสั่งสอนไกลๆและมีจิตใจน้อมไปในการท่องเที่ยวจ่าลิกไปเสียให้ห่างไกลาจากนครราชฤก์และความยุ่งยากทั้งปวงท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าตื่นขึ้นในปัจชิมยามเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันเป็นครั้งแรกได้ยินเสียงไก่ขัน ทำให้ข้าพเจ้าหวงคิดถึงหน้าที่อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อไก่ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมันยังทำหน้าที่ของมันอย่างเคร่งครัดไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งเตรียมเข้าที่ทำสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบเสียบ้างแต่ขณะที่จิตใจกำลังจะก้าวสู่ความสงบนั่นเองข้าพเจ้าก็ดีินเสียงเอะอะโวยวายดังแว่วมาแต่ไกลข้าพเจ้า รีบออกจากสมาธิเงี่ยหูฟังเสียงนั้นอย่างตั้งอกตั้งใจมันเป็นเสียงอะไรแน่ข้าพเจ้าก็บอกไม่ถูกรู้สึกว่ามีเสียงทุกชนิดผสมผส า, านก่อให้เกิดเสียงอึกกระทึกก้องอย่างประหลาดฟังดูอีกทีก็คล้ายเสียงไฟไหม้ป่าแต่บางทีบางครั้งก็คล้ายเสียงน้ำป่าที่กำลังไหลบ่าเข้ามา บางคราวก็ฟังด so ูคล้ายกับเสียงพายุใหญ่เสียงนั้นดําเดินไปเป็นเวลานานแล้วก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งเงียบหายไปครู่หนึ่งต่อมาข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝีเท้าของคนหลายคนวิ่งผ่านสราไปทางท้ายหมู่บ้านเสียงดังสนั่งวันไหว จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความสงบเงียบอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเวลารุ่งอรุณก็มาถึง ข้าพเจ้ามองออกไปจากศาลาเห็นชาวบ้านออกมายืนจับกลุ่มคุยกันที่หน้าบ้านเรือนของตนเป็นกลุ่มๆแต่ไม่สามารถจะได้ยินถนัดว่าเขาสนทนากันด้วยเรื่องอะไรจากลักษณะท่าทางแสดงว่าคงเกี่ยวด้วยเรื่องเสียงประหลาดเมื่อคืนนี้แน่ๆเพราะมีหลายคนพูดพลางชี้มือไปอย่างทิศทางที่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงนั้นมาขณะที่ข้าพเจ้ากาลังหม่มจีวร เตรียมจะออกไปบิณฑบาตนั่นเองชายชะลากัศปะก็ออกเดินทางด้วยท่าทางรีบร้อนเข้ามาหาอัตมาพร้อมกับรายงานตัวด้วยเสียงตื่นเต้นว่าท่านสมณะเมื่อคืนนี้ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่ชายป่าทางด้านทิศเหนือบู่บ้านของเราเหตุร้ายอะไรหรืออุบาทกอัตมาได้ยินเสียงเหมือนกันข้าพเจ้าถามเมื่อคืนนี้ตอนดึกสงัดแห่งปัจจิ ม, มยาม ขณะที่ทหารหลวงในค่ายกําลังนอนหลับไหลอยู่นั้นทหารฝ่ายกองโจรก็ได้แอบแฝงความมืดเข้าโจมตีค่ายอย่างดุเดือดสามารถเข็นฆ่าทหารหลวงได้ถึง80สิคนเวลานี้ศพก็ยังคงนอนเกลื่อนกลาดอยู่ที่ค่ายส่วนที่เหลือประมาณ20คนก็หนีเอาตัวรอดไปได้หลานชายข้าพเจ้าไปดูตั้งแต่เช้ามืดเพิ่งกลับมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนับว่าเป็นชัยชนะอัน ง, งดงามอีกครั้งหนึ่ง ของบุตรชายข้าพเจ้าชายแก่กล่าวประโยคสุดท้ายด้วยความพอใจยิ่งตรงกันข้ามกับข้าพเจ้าซึ่งเกิดความสังเวชรู้สึกสลดใจอย่างยิ่งต่อการที่มนุษย์ต้องเขียนฆ่ากันอย่างทารุนเช่นนั้น ข้าพเจ้าเดินออกจากสราไปคล้ายกับคนที่ปราศจากจิตใจชายแก่เดินขยบเพียกเดินตามข้าพเจ้าพลางกล่าวว่าท่านสมณะขออนิบนลท่านไปฉันปัตาหารที่บ้านของข้าพเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้ายังมีเรื่องดีๆที่จะเล่าให้ท่านฟังอีกว่าแล้วเขาก็ตรงเข้ามารับเอาบาทของข้าพเจ้าไปถือแล้วก็เดินนาหน้าสู่บ้านของเขาซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสลาพัก ของคนเดินทางนั่นเองเมื่อถึงบ้านชายชราก็สั่งให้ลูกสะพ้าเรีบเตรียมนำสำรับกับข้าวมาถวายข้าพเจ้าและตัวเขาเองนั่งลงสนทนากับข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาเป็นชายแก่ที่ยังแข็งแรงและเป็นคนช่างพูดช่างคุยดีท่านสมณะวันนี้ข้าพเจ้าขอทำบุญกับท่านเพื่อฉลองชัยชนะของบุตรชายเสียหน่อยชายชรากล่าวอย่างยิ้มแย้ม อุบาสกเอ้ข้าพเจ้าพูดขึ้นด้วยความสลดใจดูท่านช่างยินดีปรีดาในความตายของมนุษย์ซิดจริงๆนะถ้าท่านถือว่าการที่บุตรชายของท่านฆ่าศัตรูได้เป็นจํานวนมากเป็นความดีและจะทําบุญกับอาตมาเพื่อฉลองความดีอันนั้นอาตมาเห็นจะต้องอําลาอุบาสกไปเสียแล้วเพราะถ้าอาตมาขืนรับพัตถาหารของท่านก็เท่ากับอาตมามีส่วน ในกุศลกรรมนั้นด้วยท่านผู้เจริญชายชะลาพูดขึ้นอย่างละล่ำละละักเมื่อเห็นท่าทางของข้าพเจ้าเอาจริงเอาจังขึ้นขอได้โปรดข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะไม่ถือว่าการทําบุญฉลองชัยชนะละแต่จะถือว่าเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแก่พวกกองโจรที่ตายในการลบอ้ามีพวกกองโจรตายด้วยหรืออุวาศ ข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจมีสิท่านสมณะมีตายทุกครั้งที่มีการสู้รบแต่ว่าตายน้อยกว่าค่าศึกมากคราวนี้ตายไปสี่คนแต่เกราะดีที่ไม่มีคนจากหมู่บ้านของเราเลยรู้สึกว่าท่านทราบรายละเอียดดีมากอุบาสกท่านทราบได้อย่างไรว่ามีคนตายสี่คนและไม่มีคนจากหมู่บ้านของท่านชายฉลายิ้มและตอบว่า พวกโจรในป่ากับชาวบ้านมีการติดต่อส่งข่าวกันอยู่เสมอแหละท่านสมณะวิธีการสื่อข่าวของเราก็คือพวกโจรจะยิงลูกศรผูกด้วยสารออกมาจากป่าสู่ชายทุ่งนาที่พวกเด็กเลี้ยงโคเล่นกันอยู่เมื่อเด็กที่เป็นหัวหน้าได้รับสารแล้วก็จะนำมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบ พ, พวกโจรต้องการอะไรแล้วเราก็จะส่งอะไรไปให้เขาโดยวิธีใด หลังจบา ก, การสู้รบเราก็จะทราบว่าพวกโจรตายเท่าไหร่และเป็นใครบ้างเราสนทนากันต่อไปอีกหน่อยสภัยของชายชาลาก็นําพัตตาหารเข้ามาถวายข้าพเจ้ารับเอามาใส่ในบาตรแล้วก็พูดว่าอุบาสกอัตมาจะยังไม่ฉันพัตตาหารจนกว่าท่านจะให้คํามั่นสัญญาอย่างหนึ่งแก่อัตมา ก, ก่อนคํามั่นสัญญาอะไรเลือกท่านสมณนะ ท่านจะต้องอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารฝ่ายข้าศึกที่ต้องเสียชีวิตในการลบคราวนี้ด้วยเพราะถึงอย่างไรเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันกับท่านเขาอาจจะไม่มีความโกรธแค้นจริงชังท่านหรือพวกโจรเลยแต่จำต้องสู้รบด้วยเพราะเกรงพระราชอัจฉรยรบตามหน้าที่เท่านั้นในไหนเขาก็ตายไปแล้วไม่ควรจะอาฆาตจองเวรกับเขาอีกต่อไปควรจะแผ่เมตตาแก่เขาและอุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วย เมื่อชายฉลารับคำแล้วข้าพเจ้าก็ลงมือฉันขณะที่ฉันยังไม่สันเสร็จก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจำนวนมากดังสนั่นมาตามถนนหลานชายของชายแก่วิ่งออกไปดูแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาบอกอย่างตื่นเต้นว่าทหารทหารมาแล้วเขาคงจะมาเก็บเอาศพของพวกเขาไปหรอสิชายแก่พูดด้วยน้าเสียงและท่าทางเป็นปกติ แล้วเขาได้ปฏิบัติอย่างนั้นเสมอมาแต่เหตุการณ์ในวันต่อมาบอกชัดว่าพวกทหารหลวงไม่ได้มาเพื่อเก็บศพพวกของตนเท่านั้นพวกเขาได้แยกย้ายกันไปป่าประกาศตามบ้านบอกให้ชาวบ้านออกไปประชุมกันที่ศาลาพักคนเดินทางมีทหารสามคนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านชายชะลาและตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าพ่อเท่ากสปะอยู่หรือเปล่า อยู่ <You. S 2> ชายชราตะโกนออกไปแล้วก็หันมาพูดกับเขาพเจ้าว่าคร mm hmm. าวนี้คงจะมีอะไรเป็นพิเศษสีแล้วท่านสมณะข้าพระเจ้าจะออกไปพบกับเขาสักประเดี๋ยวก่อนว่าแล้วก็เดินขยบกเ ย, ก, ยกออกจากบ้านไปฝ่ายข้าพเจ้าก็ลงมือฉันพัตนาหารต่อไปจนเสร็จครู่ใหญ่ผ่านไปก็ยังไม่เห็นชายชลากลับมาด้วยความสงสัยข้าพเจ้าจึงเดินออกไปดูข้างนอก มองไปทางศาลาพักคนเดินทางเห็นชาวบ้านนั่งเป็นกลุ่มอยู่บนพื้นดินมีทหารถือดาบยืนรักษาการอยู่รอบๆเป็นระยะใ น, นขณะเดียวกันก็มีทหารคุมชาวบ้านทยอยมาสู่ที่ประชุมเป็นหมู่ๆด้วยความอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเขาพระเจ้าเดินไปกับกลุ่มชนเหล่านั้นเมื่อไปถึงก็หยุดยืนดูอยู่ใกล้ๆประชาชนที่มาประชุมกันล้วนเป็นเด็ก ผู้หญิงและคนแก่ทั้งนั้นไม่มีชายไว้กันแม้แต่คนเดียวทุกคนมีหน้าตาเคร่งเครียดและกล้มหน้ามองพื้นดินแทบทั้งนั้นส่วนชายชลากรสปะนั่งอยู่กลางวงล้อมของประชาชนมีทหารรูปร่างกำยำสามสี่คนควบคุมไว้อย่างใกล้ชิดครู่ใหญ่ผ่านไปนายทหารคนหนึ่งได้จ้องตาอันคมกริบกวาดไปรอบๆแล้วตะโกนขึ้น ด้วยเสียงอันดังว่าท่านทั้งหลายการที่เราเรียกท่านมาประชุมในวันนี้ก็เพื่อแสดงอะไรบางอย่างให้ท่านชมเราทราบดีว่ากองโจรที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนมากไปจากหมู่บ้านนี้และได้รับการอุ้ประถมด้วยเสบียงอาหารจากหมู่บ้านนี้ผู้ที่เป็นหัวหน้าโจรกลุ่มนี้ก็คือนันทิยะบุตรของพ่อเท่ากัสปะนี้เองเราจะสอนให้พวกโจรทราบว่าทุกครั้ง ที่พวกเขายกพวกเข้ามาโจมตีเราเราจะลงโทษพ่อเท่ากับปะอย่างหนักเพื่อเป็นการตอบแทนว่าแล้วก็สั่งให้ทหารสองคนยึดแขนชายแก่กระชากให้ยืนขึ้นและก็สั่งให้ทหารอีกคนหนึ่งเขี่ยหลังชายแก่อย่างไม่นับ